พระธรรมเทศนาแผ่นที่103าลำดับที่สโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่12ธันวาคม2559มีชื่อเรื่องว่ามีน้ำใจในการทำรงทานวันนี้เป็นวันที่วันจันทร์ที่12สอง วันวาคมพุทธศักราช2559แต่เมื่อวานวันเสาร์อาทิตย์วันที่10เป็นวัวันรัฐธรรมนูญแต่วันนี้เป็นวันที่ส2อยังหยุดชดเชยอีกแปลว่าคราวนี้หยุดสามวันติดต่อกันเพื่อให้นานๆพี่น้องประชาชนจะได้ไปทำ ประโยชน์เพื่อได้ดูวันจุดห ล, หลายวันแล้วก็จะได้ทำประโยชน์ให้สำเร็จแต่บางคนก็เอาเวลาไปทำประโยชน์ในทางที่ไม่ดีก็มีตั้งเยอะแยะเหมือนกันนั่นแหละพอมีเวลามากเขาบ่ามีเวลาคำนี้น่ะตามไม่จริงถ้าบัณฑิตนักปราชญ์ก็จะต้องทำเวลาให้เกิดประโยชน์ แต่ว่าเป็นจิตใจที่เป็นภาละชนจิตใจที่ฝ่ายต่ำํำก็ต้องเอาเวลาไปทําความชั่วเสียหายกำว่าเวลาคํานี้เป็นดาบสองคมเหมือนกันนะ เ, เพราะนั้นให้พวกเราศึกษาเราเป็นภาละชนหรือเราเป็นบัณฑิตนักปราชญ์ถ้าเราเป็ น, นบัณฑิตนักปราชญ์แล้วก็ใช้ใหำเวลาให้เกิดประโยชน์ไปหาพ่อหาแม่ ไปกราบคารวะผู้เฒ่าผู้แก่วัยวุฒิคุณวุฒิจากนั้นก็ไปกราบพระกราบพระเจดีย์กราบพระพุทธรลุกกราบครู บ, บาอาจารย์ไปได้ทั้งนั้นละถ้าหากว่าเราเป็นผู้ใฝ่ดีนะพาลูกพาหลานที่พาลักเขารบพาไป นี่แหละให้พวกเราทุกทุกทันนะแต่หลวงพ่อก็แต่ไม่ก็ไม่เกี่ยวกับหลวงพ่อโดยตรงหรอกแต่จะว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวจริงๆก็ไม่น่าจะใช่อีกถ้าวาเกี่ยวไหมกับมีส่วนพอหลวงพ่อก็ให้ความใส่ใจสนใจเรื่องการทำบุญทำทานมีที่ไหนหลวงพ่อกับไม่เคยมองข้าม อย่างน้ำท่วมปี54หลวงพ่อก็ได้ไปตั้งโรงฐานจ่ายอาหารจ่ายน้ำก็หมดเงินไปหลายเงินเหมือนกันนะกรุงเทพแต่ได้มาถึงเขาพ่อหลวงของเราที่นในหลวงของเราสวรรคตหลวงพ่อเองก็ทราบข่าวว่า พี่น้องประชาชนไปการาบคารวะประสบของพระ อ, องค์ท่านวันละหลายพันหลายหมื่นแต่หลวงพ่อก็อดคิดไม่ได้เหมือนกันนะหลวงพ่ออยู่ป่าดลวงพงภัยเพราะว่ากองทัพเนี่ยต้องไปด้วยท้องหลวงพ่อคิดอย่างนั้นนะพี่น้องประชาชนมากถึงขนาดนั้นแล้วจะเลี้ยงกันยังไงจะดูแลกันยังไงแต่ตามไม่จริงก็ใช่ละ ผู้ที่ไปนี่ก็มีทั้งคนจนมีทั้งคนรวยมีทั้คนเตรียมพร้อมมีทั้งคนเตรียมไม่พร้อมอพออยากจะไปพอหลวงพ่อเนี่ยเคยอยู่กับงานใหญ่ใอย่างงานลงตามหาบัวคนมาเป็นล้านในวันสองวันแปลว่าใครมาแล้วก็เขามานั่งที่ไหนไม่ขยับไม่ขยับเลยถ้าขยับไปนั่นกัน กลัวเขาจะมาแทนที่หมดหมดสิทธิ์กลับมาหาที่นั่งไม่ได้เพราะนั้นใครนั่งที่ไหนเขานั่งตั้งแต่เช้าจนถึงตอนบ่ายทีนี้โรงทานเลยหลวงพ่อเองเป็นฝ่ายพระสงฆ์ใครจะว่าเป็นฝ่ายพระสงฆ์เป็นผู้จัดการใหญ่ที่สุดก็ไม่น่าจะผิดในช่วงนั้นเพราะเหตุว่าหลวงปู่ลีหลวงปู่บุญมีเป็นพระผู้เท่าก็จะให้ท่านมา ดูแลจัดการได้ยังไงเธนี่พอท่านเฒ่าแก่แล้วมีแต่พวกเรานะี่พี่ๆน้องๆรุ่นหลวงพ่อนะ่ยจะว่าแก่ก็ไม่ใช่จะว่าอ่อนก็ไม่เชิงก็เป็นผู้ดูแลใกล้ๆเขาว่าก็ได้รับพินยกรรมจากองค์หลวงตาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้รดู้ได้ยินเพราะนั้นหลวงพ่อเองก็เข้าไปทำงานจุดนี้มันสารพัดถ้าจะว่าไปเลยือสารพัด สารพัดเรื่องแต่เราก็พร้อมที่จะเหมือนกับเราก็ไม่ว่าช้างหรอกเราว่าหมาเราเรียบเท่าหมาเข้าไปในเข้ามาในชุมชนก็พร้อมที่จะโดนอย่างจะติ๊กโดนก้อนหินเขานะ่ะถ้าเราจะว่าช้างก็เหมือนจ ะ, ะใหญ่เกินไปเรียบเรียบตัวเหมือนกับใหญ่เกินไปช้างเขาสู่สงคราม พร้อมที่จะโดนก้อนหินดุนโดนลูกสอนดุนโดนธนูนี่เราไม่เปรียบเทียมเหมือนช้างเราเราเปรียบเทียมเหมือนหมาเราหมาเข้าไปช่วยบูชาพระคุณขององค์หลวงตาแต่ขนาดนั้นก็โอ้ไม่ใช่ธรรมดาแต่มาเจอกับโรงทานนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันขนาดหลวงตาป่วยหลวงพ่อก็ประกาศเออพี่น้องลูกหลานถ้าใครมา เข้ามาแล้วก็ไม่มีอาหารทานพอเข้ามาเยี่ยมท่านบางทีหน่วยแพทย์หน่วยหมอเข้ามาพอเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยกว่าจะออกจากตรวจงานตรวจล้ตาเสร็จแล้วกลับไปไม่มีไม่ได้อาหารทานพนไม่ได้ทานอาหารเที่ยงจนตัวสันน่นมันหิวข้าวเนะพราะเขาไม่เคยอดมาก็วิ่งตามนายมา พมวิ่งตามนายมาเสร็จแล้วครับพอนายจะกลับไปตัวเองก็ไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เมื่อเช้าเพราะเตรียมงานโอ้เนี่ยมันก็มีประโยชน์เราก็บอกเออให้ใครนอผู้มีศรัทธาลูกหลานโยมเขาแก่กุ้งหงเสนอขึ้นมาเลยมาตั้งหลงทานตรงลงก๋วยเตี๋ยวขนาดนั้นเขาจึงต่อว่าหลวงพ่อโอโ้ด่าไม่มีชินดีเลยหลวงพ่ออินทาลายปฏิปทาขององค์หลวงตา เพราะว่าอาตั้งมาตั้งโลงทานในวัดทําให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายแต่ทุกวันเนี่ยคนที่พูดตันหัวหดไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะพอตั้งโลงทานขึ้นมากันน่ะมันก็มีประโยชน์อตรงทุกวันได้ก็ตั้งจนพอแรงนะไอ้นคนที่คัดค้านคนที่ปากยาวนะห <c oughs> ลงตาพวกคนปากยาวนะพวกปากยาวน่ะ แต่เราพวกเราไม่รู้ว่าปากยาวคืออะไรดวงตาว่าปากหมาเลยถ้าปากสั้นคือปากคนปากยาวนี่คือพวกปากหมาถ้าต่ว่าพวกปากหมาจะเกินไปหลวงตาก็เลยเปลี่ยนเพื่อพวกปากยาวนี่แหละคือพูดอะไรไม่คิดไม่อ่านนี่แหละต้องคิดดูให้รอบคอบแต่นี้หลวงพ่อเองอยู่ในสถานะดูแล โรงทานเหมือนกันโรงทานกับหลวงพ่อก็มอบให้องค์นั้นองค์นั้นองค์นั้นนะช่วยกันดูแลโรงทานนะอะตั้งเต็นตั้งอะไรอพอตั้งเต็นตั้งเต็นมันหมดเต็นททีนี่พวกมันหมดเต็นเขาก็รายงานมาหลวงพ่อปิดไหมโรงงานไอ้โรงทานโรงทานของโรงตาเนี่ยจะปิดไหมเท่าไหร่ล่ะได้เดี๋ยวนี้ได้พันพันสี่ร้อยกว่าโรงทานแล้วมันโอ้ยยา่ยายา่าอย่าปิดนะ อย่าปิดพราโรงทานที่นี่มีมีอยู่แล้วเนี่ยอาจจะเป็นมวยสมักมวยสมัรเล่นก็ได้บางทีมีเงินอยู่พันสองสามพันเห็นเขาทำโรงทานก็ทำมีเป๊ปซี่โคราไม่กี่ลังแล้วก็มาแจกจ่ายแล้วก็หมดเออมันเราก็ไม่สามารถที่จะถามได้ถ่ายได้เพราะนั้นเราต้อ ง, งบางทีคนที่เขามาจาก ทางไกลลาดบุรีนครปฐมเชียงพิษจุนโลกจันทบุรีไงเขาเอาอรรถหล้อสิบล้อมาเป็นสิบยี่สิบคนเขาจะมาตั้งโรงทานเราก็ต้องถามเขาว่าจะทำโรงทานอะไรมีคนมากน้อยแค่ไหนผมจะมาตั้งโรงทานจนเจ็ดงานามีคนเท่านั้นเท่านี้ผมจะตั้งก๋วยเตี๋ยวผมจะตั้งลาดหน้า ถ้าเขาตั้งท่าถึงขนาดนั้นต้องหาที่ลงให้เขานะ อ, อมีใชยว่ารับเพียงแต่วปริมาณเท่านเองแต่คุณภาพไม่มเเีเราจะไปคิดอย่างนั้นไม่ได้ เ, เราต้องดูต้องถามไทยต้องหาที่ลงให้เขามันไม่มีที่ละท่านอาจารย์ไม่เป็นไรหาไม้อยู่ขาลิฟเน่ยฝังฝังให้มันแน่นหนาะมัน่นคงพอสมควรอยากนันเออสแลน เอาผ้าสแลนปิดข้างบนเลยเอกางให้เป็นสแลนยาวๆเลยตรงไหนที่มันว่วางๆให้เขามาอยู่เลยต่อไปเมื่อเขามาอยู่แล้วเขาหาใส่เองหรอกเอเขาจะจัดการเองหรอกเมื่อเขาได้ที่แล้วแต่ข้อสําคัญเราให้หาที่ให้เขาเท่านั้นแหละอแล้วก็เป็นหลักเป็นกฎเป็นเกณฑ์ให้เขาแล้วเอาน้ําหาน้ํหาหาอะไรปล่อยก๊อกน้ําไปให้เขาเท่านั้นแหละแต่อย่าปิดนะ ห้ามปิดหลวงพ่อก็พูดอย่างนั้นแต่ทีนี้มาเขาก็บอกว่าหลวงพ่อบางคนก็เนี่ยมาขวางไว้ตั้งขึ้นป้ายขึ้นมาแล้วขวางไว้ใครเป็นคนขวางมาช่วยกันดูนะถ้าใครไม่ตั้งไม่มีลงทานไปหาขวางเขาไว้เฉยไม่ได้นะอันนี้มันเข้าสนามบรบแปลงแลยจะไปขวางกันขวางหน้าขวางหลังขวางหลังไม่ได้นะ น, นี่แหละโอ้ เรื่องโรงทานนี่นะหลวงพ่อเจอกับงานหลวงปู่ล่างานของคุณแม่ชีแก้วงานของหลวงตางานนี่ไหนไหนพออย่างนักพระที่กรรมการที่ดูแลมอบหมายให้เนี่ยโอ้หัวจะแตกเหมือนกันนะบางทีให้คนนี่ลงคนนั้นอยากจะลงคนนั้นเป็นลูกศิษย์คููบาอาจารย์เป็นผู้ใหญ่กวา่าจะต้องมีจะต้อง โรงทานจะต้องอยู่แถวหน้าของเจ้าเนี่ยโยต้องอยู่แถวหลังนี่แหละอันนี้ไม่รู้จะ ย, ย, ย, ย้ายทางไงเนยพระเปนผมไม่รู้จะ ย, ย, ย, ย้ายยังไงเอพอเขามาตั้งกรแล่ะเอา้าไม่ย้ายผมยังไงผมเป็นใครพอในสุดไม่ใช่ธรรมดาอเรื่องเรื่องโรงทานนี่นะมันต้องวิ่งเข้ามาหาผู้ใหญ่อีกเหมือนกันน่ะผู้ใหญ่ก็ต้องตัดชิ้นใจบางทีกขส่งคนไปเจรจาอไขถอยถึง คอยถอยกัน ไ, ไปทีละก้าวบางคนก็โมโหเลยเกือบจะไม่ตั้งหลงฐานก็มีลุงพ่อเคยผ่านมาแล้วน ะ, ะนั้นละูกเ่าเนี่ยนะลูกหลานทั้งหลายแในลุงพ่อเคยนึกเป็นห่วงไม่ได้เลยสนามหลวงนะอะงานของพ้าบาทจอมเด็ดไปเจ้าอหัวอยู่ในมรมมะโกดงงานปู่งานทวดของพวกเราคืองานพ่อของพวกเรานะเนี่ยกลัวมันจะมีลักษณะอย่างนั้น่คนมากแต่ตามไม่จริงคนที่เข้าไป บ้านนอกในชนนบทเออมึงหิวโหวยเข้าไปก็จําเป็นต้องมีอาหารแจกให้เขาน้ําแจกอาหารแจกอแต่ทีนี้เนี่ยกําชับความสะอาดดูแลความสะอาดเก็บขยะเอะควรจะมีแจกอะไรให้เขาก็ควรจะมีถุงเอใส่ถุงนะอย่าไปทิ้งนะใส่ให้ถุงเก็บไว้ให้ดีนะอยไปถึงแล้วออกไปเลยยทิ้งถังขยะนะ อเราต้องดูความเรียบร้อยให้เขาอพระบาทต่างคนก็นต่างถิ่นบ้านนอกบ้านนาก็อยากไปกราบบรมมาศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่เรื่องอาหารเ อ, อมันต้องหิวโหยบางทีมันจะเป็นลมอ่อนเลยหลวงพ่อวานไม่มีน้ํากินเอที่นั่ะแต่ตามไม่จริงอยากจะมอบให้กับใครผู้ใดใครผู้หนึ่งไม่ได้แล้วหลวงพ่อวานต้อง ผู้ว่ากทมนั่นนะที่พู้ว่าใหม่ของเราเนี่ยหลวงพ่ออยู่ในป่าดงพงไพเลยว่าแต่ก็คิดไกลเกินไปก็ไม่รู้ล่ะแต่พรามีโรงฐานของหลวงพ่อมีชื่อวัดป่านาคําน้อยอยู่นะไม่รู้กี่โรงสองหรือสามเลยนะ่ะอยุดที่นั่น่ที่เขาเอาชื่อแต่หลวงพ่อก็อได้บอกเสียต้องใบมันกันเออไปช่วยช่วยดูด้วยนะออแล้วก็จุถูกปัจจัยขาดเหลืออย่างไง ให้ช่วยช่วยช่วยช่วหลวงพ่อกันเนี่ยช่วยไปบ้างเหมือนกันเพราะว่าเนี่ยเรื่องโรงทานนหลวงพ่อไม่ได้มองข้ามนะอันนี้เป็นประเพณีของพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าของเราเมื่อก่อนที่จะได้ตัดรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านเป็นเศรษฐีเป็นกษัตริย์ที่เป็นผู้ร่ารวยท่านไม่เคยมองข้ามเรื่องการทําทาน แต่เราก็ไม่ได้เปรียบเทียบถึงพระองค์ท่านหรอกแต่ว่าเราก็เป็นมดก็จริงอยูุแต่ก็มองเห็นว่ า, าการอยู่ด้วยก า, การไปงานอย่างนี้นะมันต้องมีาการทำทำทานรว่าการเลี้ยงกันนะโดยน้ําใจแต่ถ้าเอาพวกเราไม่มีน้ําใจต่อกันมันมีน้าใจหดแท่งมันอยู่ด้วยกันไม่ได้นะ นี่แหละอันนี้ก็เหมือนกันนะ่นแหละหลวงพ่อว่านะีหลวงพ่อเป็นห่วงอยู่นะคนไปคารวะพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มหาพระบรมหาราชวังดูกันยังไงแล ก, กันยังไงบางทีอาจจะมีอย่างที่หลวงพ่อนะ่ยขวางหน้าขวางหลังอาจจะมีอยู่ได้หลวงพ่อว่าเนะีเพราะมันหลายคนเพราะนั้นพวกกทออมอทั้งหลายนะีย หลวงพ่อว่าน่าจะเข้าไปจัดระเบียบเให้ดีๆแต่อาจจะดีแล้วก็มันไม่รู้ล่ะเพราะหลวงพ่ออยู่ไกลนะอแต่หลวงพ่อก็เป็นห่วงเป็นห่วงสรุปแล้วก็คือพคนมันมากเอหลายคนหลายกลุ่มหลายคณะหลายวงการหลายพ่อหลายแม่หลายครูบาอาจารย์หลายสถาบันการศึกษาป่าดงพงไผ่ก็มีบ้านนอกบ้านนาก็มีเข้าไปใน เพื่อกาบคารวะพ่อนะถือว่าเป็นพ่อประวัติชมเดจใครก็เคารพนับถือเลื่อมใสบางคนไปแล้วก็อยากจะไปอีกไปกาบพอกาบแล้วสบายใจออกมานะแล้วก็ออกมาแล้วก็ยังคิดเป็นห่วงอีกเคารพนับถือพระ อ, องค์ท่านอยู่อยากจะเข้าไปกราบอีกพังฟังบงดูดูดดละหลายบางคนไปครั้งสองครั้งสามครั้งก็ยังมีในะหลวงพ่อวานะ แต่ตามไม่จริงกราบอยู่นอกก็ได้อยู่นะพวกเราที่เข้าไปไม่มีความสามารถไะกราบอยู่ทั้งนอกก็ได้หรอกกราบลลึกถึงคุณงามความดีของพระ อ, องค์ท่านาแล้วก็ประกอบความดีอีกนะแต่ผู้ที่เขาไปกราบพระ อ, องค์ท่านก็ดีนะพอไปกราบเสร็จแล้วกลับมานะเลยด่าพี่ด่าน้องด่าวงศาคณะญาติขมองสงเสียงทะเลาะวิวาทกันมันก็ไม่ทิไม่ดีเหมือนกันนะ พอเข้าไปกราบเสร็จแล้วก็ในหลวงท่านสอนอย่างไรข้าพเจ้าจะทำดีที่สุดตามแนวแถวพ่อพาดำเนินท่านพาช่วยชงเคราะห์อนุเคราะห์คู่คนในชาติมองให้กว้างไกลมองด้วยความเมตตาในหลวงพ่อของเราจากนั้นเราก็เป็นผู้ใจเย็นขึ้นมาใจมีเหตุใจมีผล ใจกว้างขวางใจมีน้ําใจสิ่งไหนที่มันไม่ดีพ่อสั่งแล้วพ่อว่าไม่ให้ทําความชั่วข้าพเจ้าจะไม่ทําข้าพเจ้าจะทําแต่ความดีถ้าหากว่าพวกเราผศในิกรอทั้งหลายนะในขณะที่บรมศพของพระ อ, องค์ยังไม่ได้พระราชทานยังไม่ได้ถวายพระเพลิงนะอย่างนั้นอยู่นะอย่างพวก ถ้ประสบผองโพงยังอยู่พระสบในก่ทั้งหลายควรจะอยู่ในความสงบเน่งมองแต่ในทางที่ดีทำแต่ในทางที่ดีพูดแต่ในทางที่ดีและก็ช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์กันตัวเรื่องอาหารการบริโภคอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเนี่ยแหละพอหลวงพ่อเนี่ยเคยงานจัดงานชุมชนสังคมมา หลวงพอ่อโหเรื่องลงทานนะไม่ใช่ธรรมดาแนละลูกหลานเนยะถ้าใครเข้ามาจุดนั้นนะ่ยจะรู้ได้เหัวหมุนเหมือนกันไม่รู้จะเอาอยัางไงมีแจกล้ามใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเข้ามาข้าเป็นใครอีกถามอีกต่างหากนะข้าเนี่เป็นบุคคลสำคัญของหลวงตานะรู้จักไหมแต่พระจะทำยังไงได้ก็ต้องวิ่งหากลุบาอาจารยนะ์เลย เราทำยังไงเราลงพ่อครูบาเอ้ยเดี๋ยวเราไปเจราจากันนะหาที่ลงเหล็กหล็กหลีกห ล, กลกับล่างให้เขาเดี๋ยวมันทะเลาะกันไม่ดีนะ เ, เดี๋ยวเดี๋ยวมั น, นบางคนถ้าเป็นนี่ผมจะไม่มาทำ เ, เ, เหมือนกับตัวเองเป็นบุคคลสำคัญถ้าวัดข่าไม่มาทำเนี่ยเจ๊งนนนแน่แน่แหละงานนี่ขนาดนั่นแล้ะ ก, การพูดแต่ฟังฟังดูแล้วืบบ มันอยู่ด้วยกันมันก็ต้องถอยทีถอยอาศัยกันต้องหาที่ลงลงอย่างไงไปที่ไหนอย่างไรมันก็มันอยู่ด้วยกันมันก็ต้องมีนั่นแหะหลีกหลีกเล้นเล่นกันพอลูกศิษย์ลูกหาครูบาอาจารย์องค์เดียวกันอันนี้ก็เหมือนกันเราเป็นลูกของพระเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยกันต้องหลีกกันสับปางกันดูแลกันให้อภัยกัน แล้วก็มองกันในแง่เหตุแง่ผลอย่าไปมองกันในแง่ร้ายอย่าไปใช้นักเลงอย่าไปใช้แบบไม่มองหน้าใครเลยมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะการอยู่ด้วยกันหลวงพ่อว่านะอันนี้ก็ฝากกับทุกคนเรามีงานที่ไหนอย่างวัดของเราก็เถอะนะใหชยช่วยๆกันคิดอย่างที่หลวงพ่อพูดไว้นี่ยแหละ มาทีไหนมามากขนาดไหนขนาดนั้นนะให้ช่วยช่วยกันดูให้ช่วยกันลงแต่บางคนก็นมีแต่ป้ายไว้เฉยๆขวางเขาไว้เฉยๆก็ไม่มาก็มีบางทีก็มาพอมาหล่อมแหลมนก็มเีเราก็เคยเห็นแต่มันตามไม่จริงกนะันเะยอยากจะได้ที่ดีๆนี่แหละสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงนะสรุปแล้วก็ต้องมีน้ําใจมีความเอื้อเฟื้อเอื้ออารีต่อกัน ถ้าเรามีกำลังน้อยก็หาสมัครพรรคพวกมาช่วยๆกันตั้งกลุ่มขึ้นมาให้เป็นกลุ่มนี่ก็เหมือนกันนะกรุงพอวาสนามหลวงที่คนไปเข้าแถวเรียนคิวเข้าไปเพื่อไปกราบบรมมาศนะเอาปากเอาท้องไปด้วยหิวน้ำด้วยทั้งร้อนด้วยบางบางวันนั่นแหละ มันจะต้องได้ดูได้แลกกันเพรอผ ม, มันคนหมู่มากอันนี้ก็คือชุมชนสังคมไปด้วยจิตศรัทธานะถ้าไม่มีเขาทให้เคารพนับถือเรื่มใสคงไม่ไปถ้าหาวัชภัยก็เถอะนะที่มรณาภาพลงไปเป็นเหตไหมมีมากขนาดนี้มีไหมในประเทศไทย แต่ว่าของหลวงตาเน่เราก็เราก็ว่า ม, มากพอสมควรนะตั้งแต่ท่านจุดตินิ่ราานไปคนเลียงคิวเข้ามาเพื่อมาการาบคารวะศพ อ, อ, อง์หลวงตาตั้งแต่ประตูวัดไม่เคยขาดเลยจนหนังสือพิมพ์เขามาถามหลวงพ่อนะท่านทำไมหลวงตามหาบัวท่านจึงมีคน มากราบคารวะอย่างมากอย่างนี้ไม่เคยขาดเส่นขาดสายเลยเออมันเป็นอะไรทำไมหลวงพ่อก็บอกพวกคุณก็ไม่รู้เหรอลุงตายังมีชีวิตอยู่นะหลวงตามีน้ำใจท่านมีเมตาตาท่านไปสงเคราะห์อนุเคราะห์โรงพยาบาลโรงเรียนสาธารณประโยชน์การตั้งหมาพิการออคน พ, พิการเครื่องมือแพทย์ต่างๆออใครก็ได้รับ ความเมตตาในในองค์หลวงตาที่ท่านให้ความเมตตานันน่ะมาในขคค่คคคาวนี้เป็นค่าวโครงสุดท้ายของท่านแล้วลูกหลานทั้งหลายกันนั่นน่ะต้องมากราบมาไหวมาเคารพสักการะบูชานะนะพอจบสรุปก็คือหลวงตามีน้าใจมีเมตตาสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์คนทั้งหลายจึงหลังไหลามา ถ้าว่าหลวงตาขี้ตนีทีเหนียวนะหลวงพ่อในองค์หนึ่งจะไม่มาใกล้วะหลวงพ่อก็ว่านะถ้าหลวงตาขี้ตนีทีเหนียวหลวงตาเห็นแก่ตัวหลวงตาเ อ, อไม่มีการสงเคราะห์อนุเคราะห์ใครหลวงพ่อองค์หนึ่งจะไม่มาใกล้ไปอันนี้นเนี่ยหลวงพ่อเขามาเนี่ยนะเพราะว่าองค์หลวงตามีเมตตามีน้ำใจมีการสงเคราะห์อนุเคราะห์ทั่วทุกหัวละแห่งคราวนี้เป็นคราวโค้งสุดท้ายของท่านแล้ว แล้วถ้าเราไม่มากราบมาคารวะข่าวนีนะ้จะทำยังไงเราอย่างน้อยต้องมาแสดงมุทิตาจิตด้วยความเคารพคารว ะ, ะในสารีละของท่านอขอบบุญขอบคุณที่เราได้รับความสุขการสงเคราะห์อนุเคราะห์จากวงหลวงตาเนี่ยละคนกันหลังไหลามาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยล้วหลวงพ่อก็ให้เหตุผลอย่างนั้นลูกหลานนะ เอาตอนนี้ไปหลวงพอ่อจะให้พอร์ตรับพอร์ตที่นี่นะ